277โอสารณ า, านุชานานาว่าด้วยทรงอนุญาตรับเข้าหมู่ซึ่งภิกษุผู้ถูกลงอุคเขปนิยกรรม474ครั้งนั้นภิกษุผู้ถูกลงอุคเขปนิยกรรมรูปหนึ่งกำลังพิจารณาพระธรรมวิไนว่านั่นเป็นอาบัตินั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้เราต้องอาบัต เราไม่ต้องอาบัติหามิได้เราถูกลงอุกเขปนิยกรรมแล้วเราไม่ถูกลงอุกเขปนิยกรรมหามิได้เราถูกลงอุกเขปนิยกรรมด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่เสียหายควรแก่ฐานะลำดับนั้นพิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมนั้นเข้าไปหาพวกพิกษุผู้ประพฤติตามกล่าวว่าท่านทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัตนั่นไม่เป็นอาบัตหามิได้ผมต้องอาบัตผมไม่ต้องอาบัตหามิได้ผมถูกลงอุกเขปนียกรรมแล้วผมไม่ถูกลงอุกเขปนียกรรมหามิได้ผมถูกลงอุกเขปนิยกรรมด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่เสียหายควรแก่ฐานะเชิญพวกท่านมารับผมเข้าหมู่ด้วยเถิดขอรับลำดับนั้น พวกพิสุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเหล่านั้นพาภิกษุผู้ถูกลงอุกเขเปนิยกรรมนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมรูปนี้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย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 พวกข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นเป็นอาบัตินั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติแล้วภิกษุรูปนั้นไม่ต้องอาบัติหามิได้ภิกษุรูปนั้นถูกลงอุกเขปนียกรรมแล้ว ภิกษุรูปนั้นไม่ถูกลงอุกเขปน็นนยกรรมหาไม่ได้เธอถูกลงอุกเขป็นิยกรรมด้วยกรรมที่ชอบทำไม่เสียหายควรแก่ฐานะเพราะเธอต้องอาบัตถูกลงอุกเขปน็นนยกรรมแล้วและเห็นอาบัติภิกษุทั้งหลายดังนั้นพวกเธอจงรับภิกษุรูปนั้นเข้ามูเถิด